ข้อความในสุตตานิบาตต่อจากครั้งที่แล้วในหน้า19พูดถึงวินิติเนี่ยนะพุทธพจน์ที่บอกว่าผู้ใดกาจัดความโกรธไอคำว่ากาจัดเนี่ยนะกจัดความโกรธเนี่ยหรือเรียกว่าละความโกรธนี่ควรละละคืออะไรละอะไรก็ละด้วยประหานะเนี่ยนะละด้วยวินัยสองประการวินนติก็คือวินยัยวินัยนี่แปลว่าการกำจัด วินัยนั้นที่เป็นการกําจัดความโกรธนั้นวินัยมีอยู่สองอย่างด้วยกันหรือสองกลุ่มสองอย่างเนี่ยแต่และอย่างก็แบ่งออกเป็นอย่างละห้าเรียกว่าวินิติก็เลยรวมเป็นวิเนเิติทั้งหมดมีมีตรงนี้ท่านบอกว่า8อย่างก็คือเว้นอะไรออกไปเว้นปฏิปสัสสธิและนิสระนาปะหารใช่ไหมพวกนี้ให้เหลือแค่8ดใช่ไหมเมื่อเหลือ8ก็เว้นปฏิปสัสสติปะหารกับนิสระนาปะหารเอาไว้ก่อน คำว่าวินัยมีสองอย่างคือส uh ังวรวิน okay. ัยกับอสังวรวินัยอสังวรวินัยก็คือปหานวินัยนั่นแหละสังวรวินัยกับอสังวรอสังวรหมายถึงปหานวินัยก็ในสองอย่างนั้นวินัยหนึ่งหนึ่งแบ่งออกเป็นห้าอย่างสังวรวินัยมีห้าอย่างคือหนึ่งสีลสังวรสองสติสังวรสามยาณสังวรสี่คันติสังวรห้าวิริยะสังวรปหานวินัยนี่โดยปกติก็มีห้าอย่างคือ แต่ทางฆาปหานวิคัมพนาปหานสมุตเชตะาปะหานปฏิปสัสสติปหานและนิสรณะปะหานทั้ง10ประการจะค่อยๆอธิบายโดยลำดับต่อไปว่าสีลสังวรก่อนนะหวังว่ า, วาความสำรวมซึ่งมาแล้วในพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงเป็นผู้เข้าถึงพร้อมแล้วด้วยปาติโมขสังวร น, นี้ชื่อว่าศีลสังวรเนี่ยนะ ที่เมื่อวานที่ฟังไปว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วสมบูรณ์แล้วด้วยปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรนะียเห็ น, น, น, นภายในโทษมาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิขาบททั้งหลายอันนั้นแหละเป็นศีลสังวรคือพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลให้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมกนะนะประพฤติปฏิบัติตามอาจาระและโจคจรคาสอนที่สอนให้ ปฏิบัติอยู่ในปาติโมขสังวลนั่นแหละชื่อว่าศีลสังวลปิดกั้นด้วยศีลคุณธรรมที่มาปิดกั้นก็คือศีลเพราะศีลเป็นเครื่องปิดกั้นสังวนนี่โดยศั์แปลว่าปิดนะไม่ได้แปลว่าขรึมบางทีสังวนเขาแปลว่าขรึมอ้าวสังวนไว้ขรมก็แปลว่าครึมๆนะไม่ใช่สังวรเพลนี้แปลว่าปิดหรือแปลว่ากั้นเช่นปิดประตูะนะปิดคือห้ามไม่ให้บาปเกิดทางกายและทางวาจา การห้ามไม่ให้บาปเกิดทางกายวาจาชื่อว่าสีละสังวร อ, อย่นะสีลสังวรส่วนสติสังวรก็คือสังวรคือที่ปิดกั้นที่มาแล้วในพระพุทธพจน์ว่าภิกษุย่อมรักษาจากขุนซีย่อมถึงความสำรวมจากขุนซีเพื่อห้ามไม่ให้อภิชาและโทมนัตเกิดในจากขุทวานการที่มองเห็นแล้วปิดไม่ให้อภิชากรโทรมนัตเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติ หูได้ยินเสียงแล้วไม่ให้อภิชากะโทมนัตเกิดได้เรียกว่ามีสติ อ, อย่างเช่นว่าตาเห็นรูปในรูปที่น่าปราถนาโดยปกติเป็นโลภะและคิดยังไงไม่ให้มีโลภะ น, นั่นแหละเรียกว่ามีสติถ้าเห็นยังไงเห็นบางอย่างแล้วมันต้องโกรธแน่นอนเห็นยังไงที่ทจะไม่โกรธอาการเห็นแล้วห้ามโลภะห้ามโทสะได้นะั่นแหละเรียกว่าเรียกว่าอะไรสติสังวรเรียกว่าสติสังวร ก็คือในทวารทั้งหกนะฮะห้ามไม่ให้มีอภิชากับโทมนัทในทวารทั้ง 6, หกเรียกว่จาจักรหุทวารก็คือจักขุนศีไม่ให้ตามองเห็นไหลไปหาอภิชากับโทมนัทหูได้ยินเสียงแล้วไหลไปหาอภิชาและโทมนัทการที่ปิดกั้นห้ามไม่ให้อภิชาโทมนัทเกิดในทวารทั้งหอย่างนี้เรียกว่าสติสังวรเพราะถ้าไม่ปิดด้วยสติอย่างนี้อะไรเกิดอภิชาและโทมนัทก็เกิดขึ้น ส่วนญาณสังวรยาณสังวรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนอนะชิตากระแสะเหล่าใดามีอยู่ในโลกสติสติคือสติที่เกิดร่วมกับวิปัสนาเนี่ยนะสติที่เป็นกายานุปัสนาสติปฐานเป็นต้นน่ะเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นเราเรียกเครื่องกั้นกระแสะทั้งหลายว่าสังวรกระแสะเหล่านั้นอันบุคคลย่อมปิดกั้นเสียได้ด้วยปัญญาตรงนี้ในคาถานี้เน้นขายสองตัวใช่ไหมคือสติกับ ปัญญาสติตรงนั้นเป็นวิปัสนาปัญญาเป็นมัคคปัญญาไอ้มัคคปัญญาที่กันบาปอากุศลออกไปได้เนี่ยนะบุคคลย่อมกั้นเสียได้ไอ้กั้นกระแสตันหาเป็นต้นด้วยปัญญานั้นหมายถึงมัคคปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นญาณสังวรเนี่ยส่วนสังวรอื่นที่บอกว่าภิกษุย่อมอดทนต่อความหนาวความร้อนสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย เสียงที่ไม่พะราะคําด่าเป็นต้นความอดทนนั้นเรียกว่าขันติสังวรก็คือเจอเรื่องที่เลวร้ายแบบนั้นแล้วไม่โกรธสามารถที่จะบําเพ็ญสามาณะธรรมต่อไปได้เรียกว่าขันติสังวร น, นี่นะอดทนกับทนอดไม่เหมือนกันนั้นอดทนในที่นี้หมายความว่าไม่โกรธเนี่ย น, นะไม่โกรธ ส่วนสังวรในพระพุทธพจน์ที่บอกว่าภิกษุยับยั้งคือละบันเทากามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าให้มันเกิดครั้งเดียวก็พออย่าให้มันเกิดซ้ําเกิดซากเกิดบ่อยๆอันนั้นเรียกว่าวิริยะสังวรก็คือการภาคเพียรพยายามห้ามไม่ให้อาคุศลวิตกเกิดขึ้นเกียดกันไม่ให้อาคุศลวิตกเกิดขึ้นป้องกัน ร, รักษาไม่ให้อกุศลวิตตกเกิดขึ้นเรียกว่าวิริยะสังวร ในสังวรทั้ง5อย่างที่กล่าวไปแล้ว1ศีลสังวรสองสติสังวรสามาณสังวร4ี่ขันติสังวรหวิริยะสังวรสังวรแปลว่าสำรวมระวังปิดกั้นกายทุจริตและวจีทุจริตเป็นต้นที่จะพึงสำรวมระวังเพราะถ้าไม่ระวังเช่นถ้าไม่มีสังศีลสังวรก็ทุศีนถ้าไม่มีสติสังวรก็มีอภิชาและโทมานะถ้าไม่มีปัญญาญาณสังวรถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องปิดกั้น อ น, นั้นอากุศลเช่นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีความอดทนโทสะก็กำเริบถ้าไม่มีความภาคเพียรอากุศลวิตกเป็นต้นก็กลุ่มรุมเนะนะนั้นพวกนี้จําเป็นจะต้องสํมวอนสํารวมระวังแล้วก็ปิดกันสังวรเหล่านี้ที่เรียกว่าวิในก็เพราะอะไรเพราะกําจัดกายทุจริตกาจัดวจีทุจริตกําจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายกําจัดความไม่อดทนกําจัด อกุศลวิตกเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าวิไนวินัยแปลว่ากำจัดนี่นะเรียกว่าเป็นบาปอากุศลที่จะต้องกำจัดตามความเป็นจริงสรุปว่าสังวรวิไนมีอยู่ห้าอย่างสังวรคือปิดกั้นไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นวิไนแปลว่ากำจัดกำจัดด้วยการปิดกั้นไม่ยอมให้ความทุศีลเกิดขึ้นไม่ยอมให้อภิชาโทมนัตเกิดขึ้นไม่ยอมให้กระแสตันหาอวิชาเป็นต้นเกิดขึ้นไม่ยอมให้ ความไม่อดทนเกิดขึ้นไม่ยอมให้ความเกียดคร้านปล่อยให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายครอบงำท่วมทับอีกอย่างหนึ่งการสืบต่อสันดานที่ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นไปอยู่ในองค์แห่งวิปัสสนาทั้งหลายมีนามรูปปรเฉทยานเป็นต้นด้วยอำนาจที่ยังละไม่ได้อยู่เพียงใดสันดานที่ไม่มีประโยชน์นั้นด้วยยา น, านั้นย่อมมีอยู่เพียงนั้นแปลว่าอะไร แปลว่าถ้าไม่มีการเจริญไอสิ่งที่จะพูดถึงต่อไปเนี่ยนะอะไรจะเกิดแทนถ้าไม่กำหนดนามรูปอะไรเกิดสกายะทิฐีเกิด น, นะถ้าไม่กำหนดปัจจัยอเหตเหุตุกะทิถีก็เกิดวิสมะเหตุตุกกะทิถีก็เกิดถ้าไม่กำหนดอดีตอนาคตปัจจุบันให้ดีความสงสัยก็เกิดถ้าไม่พิจารณากราประ การสําคัญว่าเป็นเราเป็นของเราก็เกิดถ้าไม่กําหนดมรค า, ามรคะก็ไม่รู้อะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางถ้าไม่พิจารณาความเกิดอุเฉททิฐิก็เกิดขึ้นยอมว่าเอามาจากไหนบอกอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้ า, านะคืออธิบายให้รู้ว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้หมายว่าถ้าไม่มีการละดังกล่าวไปแล้วบาปอากุศลธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละ การละด้วยองค์นั้นนั้นจึงจะมีขึ้นการละด้วยคุณธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นเพราะถ้าไม่ละบาปอกุศลเกิดแน่นอนวทษในครั้งหนึ่งนะถ้าไม่มีการกําหนดนามรูปสกายะทิฐีก็เกิดถ้าไม่มีการกําหนดตัดใ จ, จอาเหตุตุกะและวิสมะเหตุกะทิถีก็เกิดถ้าไม่มีการกําหนดอดีตอนาคตเนี่ยนะรู้ปัจจัยทั้งอดีตอนาคตความสงสัย16ก็เกิดถ้าไม่พิจารณากลาบการสําคัญว่ายึดถือว่าของว่าเราว่าของเราก็เกิด ถ้าไม่กําหนดอะไรเป็นมรคอะไรไม่ใช่มรคก็ปฏิบัติในมิจฉามรคอยู่แล้วถ้าไม่พิจารณาความเกิดอุเฉททิฏฐิก็เกิดถ้าไม่พิจารณาความเสื่อมสัสตทิฏฐิก็เกิดถ้าเห็นว่าไม่เห็นว่ามันมีภัยตรงไหนมันก็เลยสบายเลยคระนี้ไม่เห็นต้องเดือดร้อนใช่ไหมถ้าไม่เห็นโทษก็ยินดียินดีอยู่นั่นแหละถ้าไม่หน้าไม่เบื่อก็ยินดีอย่างยิ่งถ้าไม่อยากท้นก็แปลว่ายึดถืออยากอยู่ เป็นตน้นนั่นแหละก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งจะค่อยๆ อ, อธิบายตะทางข้าปรหารโดยลําดับว่าการละส ก, กายทิฐิเนี่ยละด้วยการกําหนดนามรูปการกําหนดนามรูปเนี่ยละอะไรละอัตตะกะัตตะมียเนี่ยนะส ก, กายะทิถีเนี่ยคิดง่ายๆว่าอัตตากับของอัตตาเมื่ออัตตามีอยู่บริขารของอัตตาจึงมีเช่นคิดอะไรนะถ้าเรามีอยู่ของเราจึงมี ถ้าอ an. Th ัตตามีอย exactly ู่บริขารของอัตตาก็พึงมีฉันั้นทีนี้อัตตาเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือท่านว่ารูปใช่ไหมเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นอัตตาบอกไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ใช่ไหมบอกมีอยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาใช่ไหมบอกไม่ใช่รูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เป็นเฉพาะตัวเฉพาะตัวแต่ ผู้ที่ไม่กําหนดสภาพที่เป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาใช่ไหม <c oughs> บอกใช่แต่ถ้าไม่รู้อย่างนี้อะไรเราเห็นอัตตาเห็น น, นะมันจะมีแต่เราเห็นมีแต่อัตตาของเราแต่ภาษาไทยมันไม่ค่อยคนไทยนะบางเรื่องไม่ค่อยคิดมากหรอกรอมีแต่เราพอละคําเดียวว่าเราว่าของเราคิดง่ายๆแต่บาลีนะคิดเะ เอตังมะมะเอโซหมาสมีเอโซเมอตตาติไอพวกนี้เอโซเมอตตาติเขาคิดลึกซึ้งมากลึกจนเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยแหละนะพันผู้ที่ไม่กำหนดรูปโดยความเป็นรูปไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารโดยเป็น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นก็จะสำคัญผิดเพราะการและสกายทิฐิเมื่อกําหนดจําแนกแยกแยะในความเป็นขันได้ว่าการเห็นคือการประชมพร้อมแห่งขันการเห็นคือการประชมพร้อมแห่งอายตนะการเห็นคือการประชมพร้อมแห่งธาตุการเห็นคือการประชมพร้อมแห่งอินทรีย์และปัจจัยทั้งหลายเมื่อสังขารตะทำทั้งหลายเหล่านี้ประชมกันขึ้นการเห็นจึงมีแต่ผู้ที่ไม่กําหนดแบบนี้นะบอกเราเห็นอัตตาเห็น การเห็นของอัตตามีผู้เห็นมีผู้ถูกเห็นเป็นต้นก็จะสำคัญไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะทีนี้พอมีทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะตามด้วยทิฏฐิอย่างอื่นอีกมากมายเพราะเมื่อการกำหนดนามรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการประชมแห่งขันการประชมแห่งอายตนะการประชมแห่งท่าการประชมแห่งปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกาหนดปัจจัยได้อย่างนี้ก็ละอเหตุกะทิฏฐิละวิสมเหตุกะทิฏฐิ อเหตุกกาทิฏิบอกว่าอะไรนะทุกอย่างจะเห็นเช่นการเห็นก็สุดแท้แต่อะไรนะโชคเคราะห์วาสนาไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรจะเกิดมันก็เกิดของมันคนเดียวอันนี้พวกนี้ปฏิเสธเหตุปฏิเสธปฏิเสธปัจจัยว่าอาการเห็นเช่นจักขู่เนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรสีเกิดจากปัจจัยอะไรจักขูวิญญาณเกิดจากปัจจัยอะไรภาษาเฟทนาเป็นต้นแต่ละอย่างเกิดจากปัจจัยอะไรพวกนี้จะไม่คิดถึงปัจจัยอะไรทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอาเหตุกกะใครจะเกิดก็เกิดเลยลอยอเหตุกกะทิฏฐิพวกนี้ถือว่าปฏิเสธว่ามันเกิด ล, ลอยๆเท่านั้นเองเช่นอันนั้นบวกกับอันนี้ผสมกับอันโน้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ได้มีกรรมมีผลของกรรมอะไรหรอกไม่มีในอดีตไม่มีกรรมเป็นปัจจัยให้มีผลในปัจจุบันอะไรหรอกอันนี้คือว่าพวกอเหตุกกะทิฏฐิปฏิเสธเหตุอ ด, อดีตว่าผลที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้เกิดจากเหตุในอดีตขณะเดียวกันเหตุที่ทําใหม่ก็ไม่ได้เชื่อว่าจะมีผลต่อไปใน อนาคตพวกนี้เรียกว่านัาาติกะทิฐิอากิริยะทิฐิและอเหิตุกะทิฐิจริงๆถ้าใช้คาว่าอะหิตุกะทิฐิเนี่ยมามาเลยสามตัวคืออเหิตุกะทิฐิอะกิริยะทิฏฐิและอเหิอะไรนะีนัติกะทิฐิอะกิริยะทิฐิปฏิเสธเหตุไม่มีผลไม่มีไม่มีทั้งเหตุไม่มีทั้งผลไม่มีกรรมไม่มีวิบากของกรรม เพราะถ้ากําหนดปัจจัยก็จะละได้เนี่ย น, นะก็จะเพราะว่าทุกอย่างเป็นเป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยเป็นสิ่งที่ปัจจัยนี่ประชมกันขึ้นแต่ที่ถ้ากําหนดปัจจัยได้จะละวิสมเหตุกะทิฏิวิสมเหตุกะทิฏิะพวกนี้บอกเชื่อว่าเกิดจากเหตุอธิบายได้ใช่อย่างเสือนะมันจะมีเสือได้ต้องมีคนทอเขา้าจะมีผ้าได้ถ้าไม่มีโรงงานผ้ามจะมีผ้าใช่ไหมบ้านถ้าไม่มีช่างมาสร้างจะมีบ้านใช่ไหม คนถ้าไม่มีใครสร้างแบบมีได้ไหมเนี่ยโยงไปเออเขาถ่าคนในเชื่อเลยฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลใช่ได้วิทยาธิบายรัตทิเทพเจ้าสร้างนะไปฟังนะเขาพูดเออดูเชื่อหน้าเชื่อเหมือนกันนะใช่ไหมอา้าวทุกอย่างทุกอย่างมีผู้สร้างทั้งหมดใช่ไหมเขาก็กไล่เขค่อยไล่ไปเรื่อยเรื่เรเรเรสร็จคุณมีพระเจ้าสร้างใช่ไหมบบใช่เนั้ยนะนะก็จริงๆแล้วถามว่าอันนี้เรียกว่าวิสมะเหตุกระทิศ ก็เลยมีเขาบอกว่ า, วาโอ้โหถ้าพระเจ้าสร้างทำไมพระเจ้าสร้างให้ป่วยบ่อยเรือกเกินเนี่ยนะพระเจ้าเนี่ยคบไม่ได้แล้วนะท่านพูดอย่างนี้เขาโกรธแล้วมาข่าว